بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ي ع ر ع ه يوم لا يم و าอธวะแล ا หุ่น ا ะเน่มาอ م ิบัติวะและห م ่นละเ ه ่มาอธิบัติวะและห ل ่นละเน่ ولا قد آتينا مسالهذا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. بكرة للألباب، فصبر إن وعد الله، فصبر إن وعد الله، حقوا واستبرنا وصفيه، ح ق و ت َ و ف ر ل َِْ ب ِ ك و َ س َ ب ِ ي ح ب ح َ م ْ د ر ب ِ ك َ ب ا ل ع َ ش ِ ي ّ و ا ل ْ إ ب ِ ح َ م ْ د ِ رَبِّكَ ب ِ ا ل ْ ع َ ش ِ ي و َ ا ل ْ إ ِ ب َْ ر الذين يجادلون في آيات الله. ب ي ي س ر ا ب ي س ربان أتاهن. ใต้บิลองรู้ว่าสิ่งง่ายง่ายนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سعيات أعمالنا مَن يهده ال الله فلا مضلله وَمَن يضل فلا هادي له وَأَشَدُّ ا ل َّ إ َِ ن َ إِلَّا اللَّه وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ و َ أ َ ش َ د ُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ بِكَأَصْبَحْنَا وَبِكَأَمْسَيْنَا وَبِكَنَحْيَا و َ ب ِ ك َ ن َ م ُ و د وَإِلَيْكَ النُّشُور อ ع و ذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ش ي ء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم ع ا ف ن ي في بدني و ا ف ن ي في سمي و ا ف ن ي في ب ص ر ي اللهم فاطر السماوات والأرض ل م الغيب والشهادة رب كل شيء وملك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي س ر و ء ا أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسلوء ا ل ك ب ر ر ب ّ عاوز بك من عذابٍ في النار وعذابٍ في القفر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يحيي قيوم رحمتك أستغيث أصلح لي شان كله ولا تكلني إلى نفس ترفت عينين حسبي الله ونعم الوكيل สลามอลัยกุมรห์มะตุลลอฮ์ราะบีอัลฮัมดุลิลลา์พี่น้องที่ร่วมในื้สบที่มัสยิดอันวาิุนาของอัลลอฮ์นะครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตํราเซร์อลกุรอานผ่านเฟซบุ๊กสวรรค์นในบ้านที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ ه และุทาลนะครับที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้และที่หลับไปเมื่อคืนนี้ เราก็ต้องนึกถึงอัลลอ์ด้วยนะเราไม่ใช่หลับเองนะอัลลอ์ให้บางคนนอนไม่หลับมีไหมบางคนนอนไม่หลับดวงนอนไม่หลับเนี่ยมีครับอัลลอฮุมมารอตินอุยุนวะฮัดอาติลอายุนอันตะฮยุนกอยุมละตะฮุฮุสินะตุวะลาณอุ วัดิไลลิวะอานิมไอหนีผมอ่านประจำอย่างน้อยห้าเที่ยวเจ็ดเที่ยวสิบเที่ยวจงกว่าจะลาออกมาในอิสลามมีทางออกหมดอัลลอฮ์ช่วยช่วยมุหมินทุกคนบนโลกดุนยาไปนี้ให้ชีวิตของเขาในราบรื่นต้องขอดวงด้วยขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และก็อาณาจักเราทบทวนอัลกุรอาน ช่วยบอกมาลนาจากี้มันอ่านอามุสบิลล้วผิดเงื่อนไขมันต้องเริ่มตน้นด้วยอามุบิลล้วทมนัะใัยตันิรรยินด้วยขอบคุณอัลลอฮ์ในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยาที่ห้าสบอดอินนาละนองซุรุรุษุลันาวลลีนาเอมันุฟิลฮัยาติดดุนยา ของเก่าที่อาทิตย์ที่แล้วนะเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาเรานะเล่าให้ฟังเลยนะคนที่อยู่กับอิสลามคนที่อยู่กับอัลลอฮ์คนที่อยู่กับรอซูลคนที่อยู่กับอัลอกุรอานคนที่อีมานและเชื่ออีมานหกข้อนะและอิสลามอีกห้าข้อเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเองอินนาละนั่งซูโรโดยแน่นอนยิ่งเราจะช่วย เราจะช่วยเหลือบรรดารอซูลของเราทั้งหมดที่มาในโลกเนียเท่าไหรอ่ะรับนับนบีด้วยก็แสนสองมื่นสี่พันห็นไหมอัลลอฮ์ฉันช่วยหมดสบาใจใช่ไหมอีกวันหนึ่งวันละลีนามานูและช่วยใครอีกช่วยบรรดาผู้ศรัทธาของของอัลลอ์ พวกเรานี่ใช่ช่วยตอนไหนครับฟิลฮ า, าติ ด, ดุนยาชีวิตบนโลกดุนยาใบนี้ช่วยยังไงอ่ะชีทท้งนำให้ชีวิตให้อิสลามมาส่งนบีมาใช่ไหมแล้วก็เวลามีปัญหาเจอร้อนขอดาุาส่งหมอมาให้ยงให้ยาไอเรื่องแสงตะวันกลางคืน ไม่ต้องไปบริหารเอาเราบริหารให้ไม่ต้องมันเหนื่อยในการว่ากลางคืนระยะกว่านี้ได้ไมให้สั้นกว่านี้ได้ไม้มตะวันตกตรงนี้ได้ไหมมนุษย์ไปต้องบริหารเอาเราบริหารแทนให้ให้อยู่สบายสบายแล้วก็หน้าที่อันยิ่งใหญ่ก็คือทํางานเดารอิสลามเป้าหมายอยู่ตรงนั้นไอรองลงมากว่าอาชีพกว่าหากันไปใช่ไหมนะแต่ว่าอย่าลืมจะออกไปไหนมาไหนก็ต่างวันนี้ฉันต้องไปแฝงอิสลาม ให้กับเพื่อนสักคนหนึ่งให้กับคนสักคนหนึ่งท่านอมีวาละคนละคนละคนเนี่ยปีดะเท่าไหร่ <laughs> ขอบคุณอันละนะอันละช่วยนะเ่าวันนี้มาอายะที่ห้าสิบสองยับ يوملا ي و มา ع ا ل ตุ ن م ا ว ر ت ه หุมลล م ل ع ะ วะลาหุมสุดดาร์ยามละยัง فعاللمينمعذيراتهم วะลาหุมละนะวะลาหุมสุ و ดาร์อัลฮัมดุลิ د ลอฮ์สุรที่สุรอกอฟินนะที่สี่สี่อายาที่ห้าสบสอง พญานิเตือนมาดูสับก่อนนะลายังเฝ้าแปลว่าไม่มีไม่มีประโยชน์หรือไม่อำนวยประโยชน์ให้ตกลงาประโยชน์ไม่มีอัลลอฮ์ไม่ช่วยแล้วช่วยบุญญานีให้แล้วนะอาคิราะก็ช่วยช่วยใครช่วยคนมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ช่วยบรรดารอซูลแต่ คนที่รอลิมีนคนซอเลมแปลว่าพวงผู้อธรรมคนชั่วทั้งหลายคนที่ไม่เอา AH, เอาัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอา إيمان ไม่มีตะวัไม่มียัตีนไม่มีอามันกิซอลแล้วดานาบีดากุรานตำหนินู่นตํานินีน่นนนคนซอเลมทั้งหมดแต่แล l l a h เลี้ยงบนดุนยานี้ทุกคนนะเลี้ยงหมดเลยครับเลี้ยงคนซอเลมเนี่ ถ้าจะให้มากกว่าคนที่อิมานตอเลสอีกเาอาดูย ก, ยกยกตัวอย่างฟาโร่เนะ่ยอเลมปังรอเลมอลัลลอ์ให้ตำแหน่งอะไรคิงออาไปเลยออาไปกี่วันฮัลโหลอันที่สักสี่สิบปีห้าสิบปีตแหน่งหมดไหมหมดเองตายกระจบได้อยู่ตั้งสามสี่ปีไม่เคยสูญอยู่ตอเลสเลย ล้อให้อากาศให้น้ำให้ไ ฟ, ไฟให้ดวงอาทิตย์ในดวงจันทร์แผ่นดินโลกใบนี้แหละยังอยู่มามีอ่อตั้งนานแล้วเนี่ยค่ดทุนนะเนี่ยร้อนเล่าคนรอนเหล็งเป็นไงครับลายาวเฝ้ายาวมาแปลว่าวันซึ่งจะมีวันหนึ่งนี่นะไม่มีไม่อำนวยประโยชน์แก่ผู้อาธมเลยแม้แต่นิดเดียว ประโยชน์อะไรครับา지ีรอตูฮุมแปลว่าการแก้ตัวการแก้ตัวเราต้องนึกนะวันนี้เราอยู่ด้วยการแก้ตัวกันเยอะนะเองพูดเก่งแก้ตัวโอเครอดไปรอดไปรอดไปรอดไปแต่กับอัลลอ์ไม่รอดอืมฉะนั้นถ้าจะแก้ตัวไปแก้ตัวชีวิต ไม่ได้ถ้าจะแก้ต้องแก้บนโลกดุนยาใบนี้ใครทำอะไรผิดอย่าผิดเลยผิดแล้วต้องอะไรสำนึกพอฟังศาสนาอ่านคุณอ่านจิกรุลล้ะอ่นะานพรฮะดีฟโอ้ฉันทำผิดเนี่ยผิดตั้งเยอะเนี่ยด่าคนผิดไหมผิดทะเลาะกับภรรยาผิดตอบหน้าลูกผิดทำทำไมอะ ดังนั้นถ้าจะแก้ตัวต้องแก้วันนี้เลยวันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยแก้ตัวเลยนะครับเปลี่ยนชีวิตใหม่แต่ถ้าจะเก็บความชั่วเอาไว้พาติดลมไปพาติดผ้าขาวไปใช่ไหมไปแก้ตัวอาคิร้ได้ไหมไม่มีสิทธิ์ครับนี่เอาล้อเล่าให้ฟังถ้าจะสํานึกตัวต้องสํานึกตัวตอนนี้เลยเนี่ยตอนนี้ตอนปัจจุบันนี้ ยาหมาลายัางเฝ้ารอหรออมีวันซึ่งการแก้ตัวของพวกเขาจะไม่อำานวยผลแกปวงผู้อธรรมแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ต่อมาครับแก้ตัวไม่ได้เรื่องที่สองอะไรตามมาวะละหูมุลานะละนัดแปลว่าอะไรสาบแช่งใช่ไหม การสาบแช่งก็ตามมาอีกโอ้โห oh. แก้ตัวไม่ได้สิ่งที่ตามมาก็คือการสาบแช่งจากอัลลอฮ์นะตามมาข้อที่สามวาซูวาวลาฮุมสําหรับพวกเขานะั้นซูอุดะซูแปลว่าชั่วช้าหรือว่าเร็วที่ไม่ดีอัดาแปลว่าที่พักดารุนแปลว่าเดิมก็แปลว่าบ้านทีนี้แต่ดารหมายถึงที่อยู่อาศัยของเขาไหนวันอาคือระอน เป็นที่อยู่อาศัยที่ชั่วช้าที่สุดอยู่ที่ไหนนึกเองที่ไหนนรกนี่นะทุกคนมีมีที่อยู่หมดแต่อยู่ที่ไหนเท่านั้นเองอ่ะท่านผู้ศรัทธาต่อรอดเนี่ยมีที่อยู่ในสวนสวรรค์ฟาโร่เนี่ยในคุณอ่านมีผ่านมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมอัลลอฮฺให้เห็นนำมาเสนอที่อยู่ของเขาไหนนรกอาชียันตอนเชา้าแลก้กตอนเย็น วันนักี่ครั้งสองครั้งก็แสดงว่าทุกวันเลยเนี่ยถูกลงโทษเดี๋ยวกอนเห็นเห็นนรกเห็นนรกเห็นที่อยู่ในนรกเอาละเราแค่ฝันคืนเดียวยังนอนไม่หลับเนี่ยโอ้เออครับเนี่ยนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะกษัตริย์ฟาโรห์ทุกวันนี้ถูกลงโทษจากอัลลอ์ทุกวันเช้ากับเย็น เพราะอะไรครับเพราะว่าอาลัลลอฮ์ให้ตําแหน่งกันเยอะแยะให้เงินให้ทองให้กอรูนมาให้ฮามานมาแทนที่จะขอบคุณอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮขอบคุณอัลลอฮ์นอนนอนทองจนไม่เอาเอาลัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังเองถูกแน่แล้วคนในยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันถ้าวางตัวเหมือนฟาโรห์นะเองถูกแน่แต่บนดุลยานี่ถูกไหมไม่ถูกครับเอาไปเลย ในคูตอ่านอายะอื่นอนธะิบายบอกว่าในวันกียรติ์เนี่ยร้อนเล่าเองนะใครที่มีเงินมีทองเยอะๆขอไถ่ตัวเอาทองทั้งแผ่นดินเนี่ยแลกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับเอาที่ดินในโลกนี้ไปแลกกับอัลลอฮ์อัอลลอฮ์จ่ายอยอลงโทษฉันเลยเอลัลลอฮ์ไม่รับครับเข้าใจนะบนดุนยาเนี่ยผ่านนะ <laughs> ใครมีคดีมีเรื่องมีราวในเอาเงินยัดผ่านไหมผ่านครับอะไรนะบอสบอสอะไรนะสุรสามร้อแค่นี้อมจะจะไปคุยแล้วรือคนอื่นนะ น, นะบาปเอาลองว่าถ้าจะเอาถ้าจะแก้ตัวบุญบุญญานี้แก้ได้ไหมได้ทำไปเถอะอะไรก็ตามแต่แต่คนที่ทำดีมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะวาาลา เราทำดูลินละตัวร้องว่าทุกคนมีความผิดมั้ยมีครับเราเองก็มีความผิดตั้งเยอะจะนี้ผิดมีสองอย่างบาปเล็กหรือบาปใหญ่นะครับเอาต่อมาครับอายาที่ห้าสิบสามวะละก็ได้ใจนำมูซัลฮุดะว่าอูรัสนาบันิอิสราอิล์ล์กิตาบ ولقد آ ت ي ن ا موسى الهدا و أ و ر ْ ن ا بني إسرائيل الكتاب ว่าเราก็อาไตนามาดูศัพท์ครับอาไตานาไปว่าเราได้เราได้ประทานนี่เล่าให้นบีมูฮัมมัดฟังนะอัลลอฮ์เล่าชีวิตของนบีมูซาให้นบีมูฮัมหมัดฟังเพราะนบีทาไมาต้องเล่าอ่ะเป็นการปลอบใจนบีด้วยเพราะนบีเนี่ยสอนศาสนาเนี่ยมีคนแอนตี้มีไหมมีคนตําหนิมีไหมวางแผงฆ่านบีมีไหมมีหมด ลราคนที่แอนตีนบีนะไม่ใช่คุณไกลนะใครญนะ <c oughs> าติพี่น้องหมดเลย <c oughs> ฉะนั้นการขวางอิสลามขวางการเผยแพร่อิสลามเป็นบาปทั้งหมดนะทีนี้เราเล่าปอบใจนบะีบอกว่าวัลลรก็ได้อไนนามมซาโดยแน่นอนยิ่งเราได้ประทา uda, นฮูดาแปลว่ไรนะทางนำให้แกใครโมซา คำว่ามูซาในกัมภีกุณอ่านเนี่ยเราพูดเรื่องมูซาเนี่มากกว่านบีมูฮัมหมัดผมเช็คกุณอ่านดูนะคำว่ามูซาในกัมภีกุณอานเนี่ยร้อยสามสิบหกครั้งร้อสามสิบหกครั้งเดี๋ยวเจอเจอมูซามูซามูซามูซา ส่วนนบีมุ hammad คำว่ามุ h ั m m a d ในกุณอ่านในมีอยู่สีครั้งเป็นนบีที่ใหญ่ที่สุดสําคัญที่สุดและดัวทางว่าไปทั่วโลกเนี่ยมีกุณอ่านอัลลอฮ์ชมนบีพูดถึงนบีกี่ครั้งแค่สีครั้งเองเอาผมอ่านให้ฟังเลยว่มามุ hammad อิลลารอซูลอิลลารอซูลสุลัยอัลอาลอิมรอนมุ h ั m m a d ไม่ใช่ใครนอกจากเป็นรอซูลนี่เอ่ยนะ ว่ามามุฮัมมัดุนอิลลรอซูลมุฮัมมัดไม่ใช่ใครนอกจากเป็นรอซูลข้อที่สองอายที่สองมักะนะมุฮัมมัดันอบะมกนะมุฮัมมัดุนอบะฮดิมิริยาลิกุมอซับมุฮัมมัดไม่ใช่เป็นพ่อของคนหนึ่งคนใดพ่อคนมาอางเยอะอันนี้ก็พอจังอว่าไม่ใช่มุฮัมมัดไม่ใช่พ่อของใครท่นั้นแหละนะครับ เรื่องที่สามว่าอเมนูบิมานุสลละอัลมุฮัมมัดวะฮวัลฮักสุร่ามุฮัมมัดละจงอีมานต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับมุฮัมมัดอีสามนะอันที่สีมุฮัมมัดุลราซูลุลลอฮ์สุราอัลอัลฟาต มุ h ัม m a d เป็น ر ซูลของอัลลอฮ์วลัฏย์นมาอัฮุอัชิดดะมะลกุฟาร์ละคนที่อยู่กับท่านนาบีที่เป็นมุมินเนี่ยนะลักษณะเป็นอย่างนี้ขคลรเปา่าวอะไรนะเอ่ออชิดดะหมายถึงเป็นคนที่ไม่ค่อยนอบน้อมกับคนกาเฟตแต่จะนอบน้อม ลูฮมาอุบยัยนะฮุมนอบน้อมกับผู้ศรัทธาต่อลอกกับผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยนบีจะนอบน้อมถ่อมตนให้เกียรตินัง่งคุยกันทักกันเลี้ยงอาหารกันดื่มน้ำด้่มกันใช่ไหมแต่คนกาเฟ่สเนี่ยมายถึงก็วางตัวจะไปสนิทยเยอะเพราะว่าคนกาเฟ่สบางคนมาหานาบีพูดจะมามาสืบความลับอ่ะมุมัดทำอะไร จะมาทำลายออกมาวางแผนทำลายเนี่ยล้อเล่ า, เ, ล า, เ, ลาเอา่ยชื่อมุ hammad ในคุณอ่านมีกี่ครั้งนะสี่ครั้งส่วนนบีมูซาเนี่ยเป็นนบีที่มาก่อนหน้านบีมุ hammad แต่เล่าเรื่องของนบีมูซาให้เดียันฟังถึงร้อยสามสิบหกครั้งเพื่อปลอบใจนบีมุ hammad ว่าอดทนในการทำงานศาสนาต่อไปอย่าเลิกก็องอยู่กันจนจะสอนพวกเราด้วย หลายคนพวกวนอิสลามจะรับอิสลามมีไหมมีแค่เห็นชื่อใน บ, บีมูซาในคาเฟ่คุณอา่านก็ศรัทธาเลยแล้วก็บน บ, บีอิซาอีกล่ะพวกคริสเตียนที่รับอิสลามนเพราะนบีอิซามีชื่อในคาัฟ่กุณอ่านน่ะพูดง่ายๆว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เป็นมุสลิมเนี่ยศรัทธาต่อน บ, บีอิซามากกว่าพวกนัรานียูดีซ่งทา่าท่ากว่าน บ, บีมูซาอิซาซอีก เพราะเราสัทธาว่าอีสาอแค่เป็นนบีของอลัลลอฮ์ไม่ใช่ลูกอลัลลอฮ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับว่าราก็ดาอาใจนะโดยแน่นอนยิ่งเราได้ประทานฮุดาทางนำมูซาให้กับนบีมูซาฮุดาแปะทางนำเนี่ยคือถ้าเราเดินตามเดินตามมูซาเนี่ย ไ, ไปสวรรค์ไหม ไปครับแต่ถ้าไม่เดินตามมูซาได้นไปสวรรค์ไหมไมมีทางมันมีทางรอดครับ ว, ว, รว่าเอ า, สาเรสนาว่ารสทาบไปว่ามรดกและเราได้ให้ให้รับมรดกให้ใครรับบานีอิสโออีนวงวานของอิสโออีนรับมรดกคำพีเตอร์เอาไปเป็นทางนำเข้าใจไห อายุกิตาบคำพีเ ต, ตารอกิตาเมื่อถึงคำพีตัวเรว่าอัลลอฮ์นี่เมตตาพวกเบนีอิสรออีนขนาดไหนส่งนบี ม, มูซามาสอนอิสลามให้กับฟารโ ร, าาร่ด้วยให้กับฮามานด้วยให้กับกอรูนด้วยใช่ไหมฉะนั้นคนที่เชื่อเนี่ยคนที่เชื่อมีอยู่คนหนึ่งจะมากใครบ้างสองคนสิภรยาภรยาฟาโร่ราารโเชื่อปเอปล่าเชื่ออยู่ในสวรรค์ และอีกคนหนึ่งที่เป็นญาติกษัตริย์ฟาโร่เนี่เป็นลุงชายของลุงเนี่ยที่อีมานเก็บความลับเอาไว้ไม่เผยให้ใครรู้กลัวจะถูกเล่นงานอ่ะแต่ต่อมามาแสดงมาพูดสามเสีเที่ยวเนี่ยฟาโร่จับได้เลยเองเป็นมุสลิมนี่ว่าก็วางแผนชะข้างวางแผนจับตัวก็หนีระหว่างที่หนีเนี่ยขอดูอาบทนย้ยจำได้ไหม อุฟาวิโดอัมรีอิลลอฮอุฟาววิโดอัมรีอิลลอฮอันนี้ละห์ให้นบีฟังให้นบีนํามานไปใช้ด้วยเวลาญาติพี่น้องนบีต้องการที่จะจับตัวนบีนี่อย่าลืมดูอาถึงฉันด้วยนะฮสอนพวกเราด้วยวันเนี้ศัตรูมีมหมไหน่นอนครับคนที่สอนโุ น, น่าเนี่ยศัตรูมีอยู่แล้วอ่ะจะมากหรือน้อยแต่ต้องขอดูอา อยากเที่ยวฉันแน่ฉันเก่งฉันมีรถอะไรนะการกระสุนนะไม่มีทางรเราขขอหนอเอาว่าไงนะอูฟาวิโดอัมรีอิละลออฉันขอมอบภารกิจของฉันให้อัลลอ์ดูแลฉันไม่ใช่กาวครั้งเดียวนะต้องกาบเป็นร้อยนะอูฟาวิดูอัมรีอิละลออเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังฉะนั้น คนที่เดินตามนาบีมูซาแล้วมูซาเนี่ยอลัลลอ์ให้คำเพี์มาใช่ไหมเรียกว่าคำมพี์อะไรเตารอเล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังให้นบีมาทำงานเผยแผ่ อ, อิสลามแล้วก็เมื่อเวลามีเหตุรังแกถูกนู่นถูกนี่ให้นึกถึงนบีมูซาใจมันก็จะสบายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับในคำมพี์เตารอเนี่ย พูดง่ายงายก็คือแตกต่างกับกัมพีกุลอ่านนะอ่เพราะว่าบางทีในกัมพีเตาร้อนนี่พุทธาล์ น, นพกุฎุปทานลงมาเนี่ยไปลบล้างคัมภีร์รตาร้อนทั้งหมดฉะนั้นไม่ต้องไปเชื่อต่อตาร้อนแล้วมาเชื่ออะไรนะเชื่อคภกรพีกุลอ่านเนี่ยปลอดภัยที่สุดกระยาย น, นะมีพี่น้องหลายคนโทรสารมาถามผมเขานี่ถูกบังคับให้เข้าไปในโบสถ์ จะเข้าไปยังไงดีก็มีอุลมะแนะนำบอกว่าเวลาเข้าไปในบเราเป็นมุสลิมเนี่ยไปนั่งฟังเฉยๆจะปฏิเสธทั้งหมดก็ไม่ได้จะรับทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะคำพีตะร้อมาจากอลัลลอฮ์เหมือนกันฉะนั้นฟังอย่างเดียวเชื่อทั้งหมดได้ไหมไม่ได้ ปฏิเสธทั้งหมดได้ไหมไม่ได้เพราะบางทีเราไปไปปฏิเสธในเรื่องนี้แต่เป็นพันของมนุษย์อ่ะสช่ไหมละ่ะของอุลมามะเขาเองน่ะของบัณหลวงเขาเองเขาแต่งเติมขึ้นมาฉะนั้นปฏิเสธทั้งหมดไม่ได้และรับทั้งหมดก็ไม่ได้แต่คัมภีร์คุรานนี่ปฏิเสธหนึ่งอายาได้ไหมไม่ได้เลยอย่างยืนมันต้นนะครับอาต่อมากับอายาที่ห้าสิบสี่ ขุดาแวะ ذ ลิลอลบาบขุดาและ ذ ลิลอัลบาบคำพี่ที่นบีมูซาาพามาเนี่ยอัลล์เล่าเองนะให้นบีมุมัดฟังให้พวกเราฟังด้วยว่าหุดาเป็นทางนำ วัดวิเคราะห์แล้วก็เป็นข้อเตือนลําลึกเตือนเตือนให้คิดจะาห้าทงานทุกศาสนานี่สอนให้คิดหมดเลยต้องใช้ปัญญ า, ยายด้วยนะไมใ่ใช่เจอตามหน้าตามแต่ด้วยกับไต่ตรองวิเคราะห์ท่านคมพิวตรารณ์เนี่ยเป็นหูดาไหมเป็นสอนเป็นวิเคราะห์ไหมเป็นข้อเตือนลําลึกข้อเตือนใจ คนจะนำเอาคำพีเนี่ยมาเป็นทางนำได้เนี่ยหรือว่าคนที่นึกถึงคำพีหรือคำพีกุรานอ่าคำพีอ่านง่ายๆอย่างเราดีกว่านี่นะอลอยยกให้เป็นอะไรครับอัลอัลบาหรืออูลิอัลบาสำหรับปวงผู้มีสติปัญญาเท่านั้นสแสดงว่าคนที่คิดเรื่องนบี ที่ผ่านๆมาทั้งหมดคนที่คิดเรื่องคำพีคนที่คิดเรื่องอัลลอฮ์อัลลอ์ยกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาสบายใจไหมฟาโรห์บอเอ็งคิดถึงอัลลอ์จับมึงฆ่าแล้วก็รอดแล้วแม่รอดมรอดครับเพราะดวอาช่วยด้วยฉะนั้นถ้าต้องการจะให้เราเนี่ยเป็นคนที่อัลลอโ์ชมว่ามีสติปัญญาก็ ชมว่างโง่เนี่ยเราก็ไม่เอาใช่มหมเอาสมมุติผู้มีสติปัญญาต้องคิดหนึ่งคิดเรื่องอัลกุรอานคิดเรื่องสุนัขนบีคิดเรื่องการเผยแพร่อิสลามคิดเรื่องอัลกุรอานคิดถึงวันอาคริรคิดถึงอาซาบการลงโทษในกูโบเรื่องศาสนามมเลยายนะค น, เ, นเอาปัญญามาคิดเรื่องนี้เนี่ยอลัลลอฮ์ชมว่าคนนี้เป็นคนที่นี้ สติปัญญ า, าเฉลียวฉลาดไม่ใช่คุณโมไปคิดดุนยาอย่างเดียวสิเอาตัวแทนดุนยามีกี่อย่างเจียเอาห้าอย่างผู้หญิงเงินชื่อเสียงตำแหนง่งเกียรติยศแล้วคิดห้าอย่างเนี้ยแล้วเป็นไงสังเกตดูสิอนี้อย่างอย่างสสเนี่ยสภาเนี่ยนะก็คิดกี่เรื่อง หาเรื่องนี้แหละแล้วเป็นไงมองสภาพดูก็รู้แล้วฟารโรห์คิดจะเรื่องก็ห้าเรื่องนี้แหละแล้วเป็นไงรอดไหมลนะ่ะไม่รอดแค่นั้นคิดเรื่องอีมานต่ออัลลอฮ์ตักว่าอย่าตีนย่ซานอิสลามอัลกุรอานสุนานะนาบีรอด <c oughs> คิดยังดุนยาไม่รอดคิดยังศาสนาเนี่ยรอดหมดเลยคำเดียวล่ะอัลลอฮฺอัลกุบะด์ในคำเพจกูอ่านอธิบายอธิบายว่าว่า นัสรอบ ב נ อิสราลว่าอาตัยน้ามุสลิตาบวจอลน้าฮดัลบนีอิสราลอัลลตัิรูมินดูนีวกิละคัภเาเนี่ยที่ประทานกับนบีมุสเนี่ยให้มาสอนพวกบรรดอิสราเอลน้เน้นเรื่องอะไรอัลลตัดิูมินดูนีวกิละอย่ายึดสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮฺยึดอัลลอห์องเดียว นบีมูซามามาสอนฟาโรยยึดอัลลอฮ์องเดียวมสอนฮามานยึดอัลลอฮ์องเดียวอย่ายึดสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์เหมือนกันบททุกนบีที่มาในโลกเนี่ยสอนให้คนยืนหยัดในอัลลอฮ์องเดียวหมดเลยเราก็นาไปใช้กับครอบครัวเราดีหรือไม่ดีเอาลูกจะกินอาหารหนี่ถึงอัลลอฮ์ก่อนต้องล้างมือก่อนไหมกินอาหารเนี่ยลูกบอกผมช้ช้อนหนาแต่นบีบอก ให้ล้มือก่อนครั้งที่แล้วเคยสอนท่านเ้าว่าซันมานฟารีซีนี่พูดบอกว่าอะไรนะจะนำเอาความยากจนมาสู่ครอบครัวท่านมีทั้งหมดกี่เรื่องนะสึบ ก, กว่าเรื่องม่านเ้า ห, หนึ่งอันนั้นก็คือหนึ่งไปกินอาหารบ้านคนจนเอ้ยไม่ใช่กินอาหารบ้านคนตาย และศพวางอยู่บนบ้านเ้าเนี่ยนบีห้ามไม่ให้ไปกินน่ะจะนํามาซึ่งความความปานป่วนน่ะครามไรไม่มีบรารักัดแล้วก็สอเนี่ยไม่กินไม่ล้างมือก่อนทานอาหารก่อนทานหรือหลังทานเนี่ก็ต้องล้างมือคนสมัยนี้คูณกว่าใช้กินข้าวด้วยช้อน่ฉันไม่ทําไม่ต้องไปล้างมือหรอกผิดสุดนหย น, นบีอะ่ะแต่คุณจะกินด้วยอะไรก็ตาม เออนางแบบอะไรอ่ะนางงามจักรวาลพบอันเฟสตัูนะเขาบอกตุบตัวแต่นี่กวแล้วใช่ไหมตัดสินแล้วนี่นะเขาไปสภาดนางงามฟิลิปปินสภานยกรรมดูถูกนะบอกว่าประเทศคุณเนี่ยกินข้าวด้วยมือเขาถามว่ามีประเทศไหนบ้างที่กินข้าวด้วยตีนมีเปล่าคือ พวกฝรั่งมองว่าการทานข้าวด้วยมือเป็นคนชั้นต่ำแต่อิสลามบอกว่ากินอาหารด้วยมือเป็นคนที่กล้ชิดกับอัลลอฮ์แล้วเราสู้ฟิลิปปินคนนี้มันตอบดีนะล้วก็เอาของดีๆนะมาเล่าให้ท่านฟัเป็นน้องครับเดินตามนาบีเนี่ยวันนี้ถูกด่าไหมแน่นอนครับ ถูกตำานีิถ้าใจไม่เข้มนะทิ้งอ่ะทิ้งอิสลามนะท่านใจต้องเข้มยิ่งอยากไปอิสลามนี่แหละก็นบีถูกไล่เพราะอิสลามไม่ใช่เหรอนบีมูซาถูกนู่นถูกนี่เพราะอิสลามใช่ไหมและญาตินบีมูซาต้องหนีตัวเพราะอิสลามฉะนั้นเมื่อต้องไปกลัวว่าใครจะนินทาใครจะว่าใครจะใส่ร้ายเชิญให้เขาเล่นงานไปเถอะแต่ผลสุดท้ายชนะหมดเอาเราช่วยหมดครับทำโดยดีแล้ว อัต่อมาครับอายที่เท่าไห้าสินะครับฟาสบิรอินนาวะดอลอฮิฮับวัสตอฟิรลิดัมบิกวัสบิบิฮัมดิรบบิกบิลมชีวัลีบกฟัสบิร์ อินน่าวะดุลลอฮิฮะควะวัสตะฟิร์ลิซัมบิกวัสบิฮ์บิฮัมดิรับบิกะบิลอาเชีอีวัลิบกะฮัมดุลลอฮ์แป ni Allah ลอฮ์ประทานคุณธรร h ให้กับนบ i muhammad เล่าให้นบีบุห์มัดฟังว่าชีวิตการเป็นอยู่ปัจจุบันควรจะปฏิบัติอะไรเตือนเราด้วยอ่ามุสลิมทั่วโลกเนี่ยต้องอ่ า, านอัญาณี้นะอัญ า, านี่เตือนเตือนนบีบุห์มัดแล้วเตือนพวกเราด้วยแล้วเตือนมุสลิมทั้งโลกนะฟาสบิลแปลว่าไรจงอดทน ทาให้อดทนนี่ไม่สําเร็จสักเรื่องดึงชีวิตเราเนี่ยนะเอาสามีภรรยาเนี่ยทําให้อดทนผ่านมาชีวิตผ่านครับอดทนครับอ่เราเติมอีกหน่อยให้อภัยอีกอดทนให้อภยัยให้อภยัยอดทนชีวิตถึงจะผ่านโลกดุนยาไปนี้ไม่มีใครสบายกับแม้แต่นบีเองเคยป่วยครับ นบีป่วยไม่ใช่วันสองวันครับครเดือนนมีนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งหกเดือนญิบริลลงมามาบอกนบีให้อ่านดูอาบท น, นี้ยกมือขึ้นเป่าอันกุนวัลลอสามกุลแล้วก็ลูบไปทั้งตัวทำอย่างเงี้ยตอนเช้าก็ทำกลางวันทําบ่ายทําก่อนนอนทําตอนป่วยทำซ้อนทำไมตัวช่วยนะท่านยอดเยีย่ยตัวช่วยเยสําสคัญที่สุด น, นะ ตัวช่วยต้องผ่านอบบนะีไม่ใช่ผ่านโตกีนะไม่ใช่หมอสั่งไม่ทำสั่งนบีนบีทำมาก่อนเอาตัวช่วยที่ที่อัลลอ์สั่งผ่านนาบีเอามาปฏิบัติ w h a จ s ไ h e นะจงอดทนอินน่าวะดัลลอฮิวาดุนเป็นสัญญาสัญญาของอัลลอ์นั้นฮักบุญเป็นจริง ในอิสลามทุกข้อเป็นจริงหมดอ้าวยกตัวอย่างสวรรค์มีจริงไหมมีจริงครับนรกมีจริงไหมจริงครับทุกคนต้องตายไหมตายครับเรื่องจริงทั้งหมดอะแล้วโลกดุนยานี่มีวันหมดอายุไหมหมดอายุที่เป็นจริงหมดเลยและกูรานจริงไหมจริงครับนบีมุฮัมมัดมาจริงไหมจริงครับแล้วก็ศพนบียังอยู่ไหมยังอยู่ครับ รู้ไหมสัตวูอิสลามต้องการจะลักศพนบีต้องการจะลักศพนบีทำแล้วไม่สาเร็จถูกฆ่าไปแล้วจากเด็กมุสลิมมาสองคนมาเรียนหนังสือที่นครมัดฑีนาเนี่ยคนขุดไปขุดไ ป, ดไปกล้าจะถึงศพแล้วอัลลอฮให้อุลามาฝันอุอลามาประเทศอื่นน่ะฝัน ฝันเยวฝันตร้งสองสามครั้งอ่ะพอเสร็จแล้วก็ก็สงฆามาทางซาอุดีเขาก็ไปเช็คดูวิธีเช็คก็คือเรียกนรีมาดีนาเนี่ยมามากินอาหารมาประชุมตราแจ ก, กสราตังมันขาดไปสองคนไ่สองคนนั่นแหละพอไปเชิญมารับสารภาพวิธีขุดคุณไง่ายหรือเปล่า ใส่โต๊ขุดจากห้องตัวเองเนี่ยค่อยขุดค่อยค่อยขุ ด, ขดแล้วก็เอาดินเนี่ยใส่โต๊ออกมาว ล, ละเน็ตว ล, ละนอ้อยจะเอาไปทิ้งก็จับได้ครับตัวประหารชีวิตใครจ้างมานึกเองใครจ้างก็ต้อเอ่ยชื่อก็ได้ศัตรูอิสลามจ้างเด็กมุสลิมอันนี้ก็ให้ได้เงินนาหลาล้านพันล้าน ก็เรื่องว่าศาสนาอิสลาม่ถูกทำลายตลอดยิ่งถูกทำลายยิ่งอยาะูีดนอัวาจคนจะหันมารับอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้ครับวัสดุสอัลลอ์สั่งนบีจงอดทนอินนาว่าอัลลอฮิฮักกุนแท้จริงสัญญาของอัลลอ์นั้นเป็นความจริงสัญญาอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันครับเป็นความจริงนะ สบายใจต้องอดทนนะเรื่องที่เรื่องที่สองวัสตัสฟิร์จงขออภัยโทษนิสซังนบีนะลีดัมบิกะความผิดพลาดของท่านถามนาบีมีความผิดหรือที่เราได้ยินกันมาใช่ไหมนบีเป็นมสุสลูมใช่ไหมไม่มีความผิดและอลัลลอฮ์พูดผิดอะไรทีเนี้ยความผิดมีสองอย่าง บาปเล็กกับบาปใหญ่เพราะในกับในคะุณอ่านอธิบายดีนะครับอิสมุนเนี่ยกับดําบุลเนี่ยไม่เหมือนดําบุลเนี่ยบาปเล็กๆเรามีศัพอีกคำนะครอิสมุนอลิฟซะมีมแปลว่าบาปใหญ่บาปเล็กๆ เ, นะ เ, เ, เ, เนี่ยเช่นเผลอรเร อ, อลืมลืมซิกุรุล้อใช่ไหม ลืมเผลอไปสิบนาทีสิบห้าโอ้ลืมนึกถึงอัลลอฮฺอัลลอเตือนไงเผลอเรอไม่นึกถึงอัลลอให้กล่าวว่าไงนะฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺนี่เตือนนบีครับแล้วพวกเราเนี่ลืมเก่งไหมอัลลอแน่นอนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมนนำมายังลืมมีใช่ไหม ย, ยิ่งนำมาตะหัดยศเนี่ยแก้งลืมทุกคืนเลยอะ ไม่เคยตื่นเลยเอะทีนี้บาปเล็กกับบาปใหญ่ผมเช็คคัดิสวนะครับบาปเล็กๆนี่นะครับมีประมาณสิบเจ็ดบาปเท่าที่เช็คได้นะอะไรบ้างอย่าทำแต่ถ้าทำเนี่ยไม่ตกนรกอ่าหนึ่ง อาบน้ําน้ ำ, นำาดที่บ้านจะมามัสยิดระหว่างเดินมามัสยิดเนี่ยเอามือประสานกันอย่างงี้เอามือทําอย่างนี้เดินมาจากบ้านนะนักอุลตร้าคนคนยังซูบุรีมาอีก <c oughs> เดินออกจากบ้านจะมามัสยิดสูบกิ้งสิกเก็ตและมือทําอย่างงี้ทลกผ้าสรมว่าข่าวโชว์ว่าขาวเอก นั่นล้วผิดหมดเลยอย่าทำแต่คนไม่รู้มีไหมเยอะเรื่องที่สองครับเวลามานมา้ามัสยิดเนี่ยยิ่งมี ม, มีแมสใช่ไ จ, จัดแมส <c oughs> จัดหมวกจัดเสื้อมีไหมมีครับบางคนรู้ก็ระวังตัวนิดนึงก็ทำช้าๆเล็กน้นอยบางคนไม่รู้โอ้ยทำไม อันละเป็นบาปเล็กฮะดี้ของอิหมามครับก็อิหมามบุคอรีนะครับอันที่สามเอามือเท้าเอวขนาดนมาไม่รู้ตไม่ไม่รู้ว่ามัถับไหนเราไม่รู้นะเราเรจะไปะแตะเลยนะเรื่องที่สีเวลาหาวในนามาดมีบ่ามีครับทำไงครับอย่าอ้าปากกว้าง ให้อะไรนะให้ฝืนให้คอนโทรลเอาไว้นะครับแต่ที่บางคนไม่ไม่ไม่ฝืนเลยอ๋อมีเสียงอักออกมาอีกใช่ไหมนี่บันทึกาว้มามุสลิมให้มาจะอิมัมติดตินีดีข้อที่ห้าอย่านอนหลังนมาศมกริบอย่านอนหลังนมาศมกริบแต่ให้นอนหลังนมาดอิจฉาดีที่สุด โอกาสทนอนหลังมังกริว้วโอกาสน้ํามันอิสลามมีไหมไม่มีหลับเลยนะครับมันทึงโดยมา ม, มุสลิมครับข้อที่หกอย่าหายใจขณะดื่มน้ําอิสลามสอนให้หายใจดื่มน้ําไปดื่มน้ําไปหายใจไปหายใจไปดื่มน้ําไปนะไม่ใช่คนไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นแพะเป็นอูดสักเกตดียด๋วยวเราจะเอาควายนะ มันจุ่มน้ำในกระป๋องเนี่ยทำไมหมดกระป๋องไม่เงยแม่ <c oughs> ผมเคยเลี้ยงแพ้มารู้แล้วเลี้ยงควายมาเรารู้อย่างงี้ในตอนที่จะเป็นควายหรือจะเป็นคนก็เลือกเอาใช่ไหมแต่กบีห้ามนะครับอย่าหายใจขณะดื่มน้ําควรจะดื่มน้ําที่ล ะ, ละอึกละอึกละอึกดีที่สุดนะครับท่านจะค่อยมางบุคคลอีกแล้วก็อ่านอัลกุสซิมิลลอัลามเร ต่อมาครับไม่แข่งขันในการสร้างมัสยิดตัวใครจะสุราลใครหมู่บ้านใครจะใหญ่กว่ากันจะสวยกว่ากันไม่สักหรือเปล่าอย่าแข่งถ้าจะแข่งแข่งให้คนมาสุเราลไม่ดีหรอมัสยิดนี่มีการสอนศาสนามัสยินี่คนละมาสุโบเนี่สองร้อยอ่ะพ่อกระหม่อมเองเลยอะไรห้ามเ ง, งียบต้องแข่งกันแบบนั้นมาจะมาแข่งกันไม่สักเปล่าอ่า แล้วก็ปูผมบ่าอยไปจะไปแข่งนะครับ อ, อันที่คอยหมามไรนะอิหมามอิบนะฮะ บ, บานต่อมาแพทย์ ข, ข, ข, ข้อที่แปดสวมแหวนอย่าสวมแหวนที่ท่านอบีห้ามเห็นไหมไรนะนิ้วกลางกับนิ้วชี้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยอย่าได้นะอย่าสวมอันที่กลีมา ม, มุสลิม ห้ามกินข้าวและดื่มน้ําด้วยมือซ้ายเพราะไซตต้อ น, นี่กินอาหารด้วยมือซ้ายมาทึกด้วยมามมุสลิมครับข้อที่สิบข้อที่เ้าข้อที่สิบด็อย่านอนคว่ําอย่านอนควา่าเพราะน บ, บีเคยเห็นชายคนหนึ่งนอนคว่ำในมัสยิดบอกอย่านอนท่านี้นี่มันท่าชาวชาวนรบก็อนอนกันแบบนี้เป็นต้นอิมามติสมีดีนะครับ ข้อที่บเอย่าถอนขนงอกผลขึ้นดีวอลาของขนหมอกอย่าถอนพอแล้วนะพอ อ, นะอินนะฮูนูรุลมุสลิมเป็นลักษณะของมุสลิมอิมามติมดีดีข้อที่สิบสองของฮาลานอาหารฮาลันแต่มายอมกินคนป่วยอีเรื่องหนึ่งนะแต่ฉันฉันฉันไม่กินอาหารฮาลัน ยังมีทฮารกูไม่กินนะกูอนตี้สลามากูแอนตีสนัขจุลาเนี่ยคุยฮูดีมาอยู่คนอยู่กลุ่มหนึ่งนะกินของฮัลลาดไม่กินอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอย่าเอายิสัยุยฮูดีย่างน้ำตาลสรลนีมาใชา่นะครับอบับดุลาวูธข้อที่สิบามเวลาพายลมมีเสียงดังมีเสียงค่อยมีถ้าเสียงดังลูกหลานนั่งมหรพันหมดเลยอะ มีเปล่ามีครับจะต้องอย่าทําสอนคนในบ้านด้วยนะเวลาผายลมอย่างหัวเราะมันทึบโดยอิหมัมตบบรณีข้อที่สิบสี่อย่านั่งต่างแดดเครึ่องหนึ่งอยู่ในร่มอีเครื่องหนึ่งอยู่ในอยู่ในแดดเพราะเป็นที่นั่งของไซปอนซลามสอนหมดเลยครับมันทึบโดยอิหมัมอัลฮมมัดข้อที่สิบห้าห้ามกดดันแขกหรือไม่ต้อนรับแขก กรบบาบมั่งกันแบบเด็นอยยังงั้นมึ ง, างมาบ่อยเหลือเกินอย่าอย่าย่าต้องต้อนรับแขกด้วยความเต็มใจเพราะนาบีอิบรอฮิมเป็นคนแรกที่ต้อนรับแขกบนโลกดุนยาใบนี้และแขกที่มาคือท่านมาลายกาญบรีอัลกิสลาข้อที่สิบหกยาดาไกา่ไก่ขันน่ะผมเคยเห็นแชร์คนหนึ่งอะ่ะวิ่งตีไกอ่เพราะไกไม่ขันแตกินจะนอนกลางวัน เขาะสงสารแช่คนนี้เขาไม่รู้ไงอ่าสุนทรนาบีย่าเข้าโซราชันนะนี่สุนทรนาบีหมดเลยนะ่ะดากายเนี่ยอย่าการไม่ดากายเป็นสุนนทรนาบีมาทึกด้วยหม่ำอบูดาวูดข้อที่สิเจ็ดอย่าบังคับคนป่วยให้กินอาหารและดื่มนะ้ําเพราะอัลลอฮ์ให้คนป่วยกินอาหารเองกินเนดยบังคับบังคับอย่าไปบังคับแต่อีลาในความเป็นห่วงกันนะ กินแต่ลูกกินสักคำสองคำนี่มารยาทของพ่อแม่เป็นห่วงลูกนะแต่ถ้าคาดเข้าใจศาสนาก็อโล่ให้คนป่วยในะกินแล้วก็ดื่มเองแล้วก็ข้อที่ส8บนี่ยนะยาดายาตำหนิการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นบาปเล็กนะข้อที่ส9บเก้ายาหัวเราระเยอะๆเพราะมันจะทำให้หัวใจตายด้านบันเทิงโดยอิห ม, มั่มุสลิมไม่อยอิบนมอิบอิบนุมาจะ สิบเจ็ดสิบแปดสก้าอเนี่ยเป็นบาปเล็กๆหมดเลยกัฟฟาร์ทําำยังไงกัฟฟาร์ไม่ยากเป็นควากรรมเดินมามัสยิลดลถสองอาบน้ำน้ำหมาด ถ, ถใูให้ใทั่วยิ่งหน้าหนาวนี่มัม้ยบางคนไม่กล้าถูกน้ําเยอะนะอาบน้ำน้ำมาดให้ทั่วมีไหมกับหลูกหลานเรานี่แหละแล้วก็พยายามเตือนฉะนั้นอาบน้ำน้มาดให้ทั่วเขาเรียกอิสบะวุลูรุนะแล้วก็เดินมามัสยิด แล้วก็บริจาบสตังให้กับคนลุกขึ้นนมาตแต่หายุดตัวช่วยหมดเลยนะครับดูเรื่องบาปเล็กๆนี่นะตัวช่วยมีตั้งห้าหหกตัวเดินมามัสยิดแล้วก็นั่งรอนมาตเนี่ยนมาตมักรีบใช่ไหอยู่ถึงอิชาแล้วก็นั่งรอทุกการมาต้องกลับบ้านใช่ไหมอ่านอัลกุรอานแล้วเนียนะฉันจะรอหนามาตอิชาที่มัสยิดลดบาปเล็กๆหมดเลยนะครับแล้วก็ถือบัวนในวันอัรับฟัง ลดกี่ปีปรับปีไม่ใช่หรอแล้วก็ถือบวชในวันอาชุรอลดปีเดียวอย่างเงี้ยเก็บไปหมดเพราะบาปเล็กๆของเรารถทําราดาว ไ, ไม่รู้ตัวกับความีใช่ไหมยอย่างงี้เป็นต้นแล้วก็รู้ก็ว่านมาสูยูดเนี่ยอย่าลวกยืนนมานานๆหน่อยเป็นอิหมางก็อย่าลวกเยอะอ่านให้มันถูกต้องด้วยเพราะคนข้างหลังเขาเริ่มกัเราก็มีใช่ไหมละ่ะอ่านให้มันถูกอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็รูก้กลัวชาชายกมือชาชาสู้อยู่ชาชามีรางวัลตอบแทนลดบาปเล็กๆที่เราทำโดยเราไม่รู้ตัวฉะนั้นกูอาา่านหรือสั่งนีสั่งนาบีให้กล่าวว่าไงนะอัสตาฟิรุลลอฮ์วัสตากฟิริรัมบิกบาปของท่านที่ทำอยู่นะเบืไม่รู้ตัวนี่นะให้ขออภัยโทษต่อเาและยังไม่พออีกครับวะซบี นี่สั่งนบีนะสั่งพวกเราด้วยให้กล่าวเลยนะให้สรรเสริญแท้สองสะดุดีบิฮัมดิรอบบิกโดยการสารรเสริญพระผู้อภิบาลของท่านบิ๊อาชี ย, ยามเย็นวันอิบการิราารารราแล้วก็ยามรุ่งอรุณตกลงว่าอัลลอสั่งให้นบีนบีทำงานหนักกระมังไหมไม่ทำงานไม่ออกไปไดาวะ นั่งอยู่บ้านอัสตะกลุลอขออุอาต่อร้อนยามเช้ายามเย็นอดทนใช่ไหมเนี่ยถ้าเราหลักการอายานี่หลักการเดียวอัไปชะชาชีวิตปลอดภัยไหมทำด้วยเลยละแต่นั่นอายาณี่มีสามสามเรื่อง ห, งหนึ่งอดทนสองบาปเล็กๆที่เราทำโ ด, โ, ดโดยโดยโดยไม่รู้ตัวนี่นะให้ขออัปยาโทษต่อร้อนแล้วอันที่สามให้สารเสริจสะดุกดีต่ออัลลอฮ์ให้กล่าวกับสุบภาอัลลอฮ อัลฮัมดุลิลละอย่างนี้เป็นต้นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับราะนี้สมัยใหม่ไม่เอาอะไรมาแทนนะฟเฟสบุ o กออนไลน์กันนะใช่ไห้นะไม่ได้กล่าวเรื่ <c oughs> องก็ขอแนะนำพวกเรานะวางวางก็ได้อลไหอสักสองสามชั่วโมงค่อยเอาขึ้นมาดู <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะครับอัลฮัมดุลิลละอาวยสุดท้ายนะครับ โอ้คุณอานดีมากพี่น้องดีมากครับอินนัลรีนายูจัดิลูนฟีอายาติลลาบิไกรสุลตานนอาตาฮุมอินอินฟีสุดูริิมอิลลากิบ มาหุ ah um ah uh ่นเปี่ยบัลลีฟ้าสแตงบิลล์นนั่นหัวว่าสัมยังบัซซีร์ฮะมด l ลิลล l ฮฺองพระ j a ้ i t ี่เตือนดีนะอินนั่นลาซีน่าอยู่จะดิลูน ي า ي ีอั เบُ่ยงไปสู่คนอื่น ata hum i ِ fi sudurim ِ l l a kib ma hum b e b a l i g h ِ ف ا س ت ع ذ ْ بالله إنه هو الشمع البصير الله أكبر الحمد لله อายะนเตือน คนที่ต่อต้านอิสลามระวังตัวให้ดียูยาดิลูนดูสับพวกเขาโต้เทียงยูยาดิลแปลว่าโต้เทียงไอโต้บางคนก็ใช้อารมณ์เย็นโต้บางคนก็เสียงแข็งโต้บางคนก็เท้าแขนโต ตัคนที่โต้อิสลามโต้กุรานโต้นบีโต้อัลลอฮ์ทั้งหมดนี่นะดูดูกุรานนะอินนัลลาดีนะอยุยาดิลูนแท้จริงบรรดาผู้ที่โต้เถียงฟีเกี่ยวกับอายาติละองค์การทั้งหลายของอัลลอฮ์โต้เถียงอัิกุรานสักอายาหนึ่งหรืออายาหมายถึงจักรวาลก็ได้ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยเกิดเองโตใหญ่เลยฉันหลักฐานฉัน น, น, น, น, น, น้อยยังงั้นยังงั้นยังงั้นคนถูกสร้างมาจากลิงอ้าลชานดาวินเฮ้ยชานดาวินเป็นอัลลอฮ์เหรอก็เป็นคนยิวคนหนึ่งที่แ <c oughs> อนตี้อิสลามใชอ้เ่ยเอาชานดาวินมาโตกับอัลลอฮ์ ว่ามนุษย์นี่มาจากลิงไม่ใช่มาจากดินไม่จช่มาจากไ ม, ไม่ใช่เนี่ยโอ้เถียงใหญ่เลยคนที่โต้เนี่ยนะโต้กุรอ่านโต้คำสอนของนบีหรือขวางทุเรื่องนี่นะบิลลี่ซูลตอนตโดยไม่มีหลักฐานมายังพวกเขาหลักฐานมาจึงอลัลลอ์ส่งหลักฐานมาหรือเปล่าอ้ออย่างนี้ คนที่ไปบูชาเจวเวศเนี่ยบาปอัลลอ์ให้หลักฐานมาเต็มเลยไงอย่าไปเคารพเสียงอื่นนอกจากอัลล์ น, นับถืออัลลอฮ์องเดียวหลักฐานในอกุรอานเต็มหมดเลยอะ่ะเอาอไไปไปไปบรรยายไปอธิบายแต่แต่ไปโต้อัลลอฮ์ยหลักฐานไม่มีหลักฐานสติปัญญายมนุษย์เอามาใช้ได้เปล่าไม่ใช่นี่ไงสอนให้เรานึก อินนั่ลลัดีน่ายุจัดิลูน่าฟิอ้ายาติลลาฮิบิกรอยริสุลตานินอาตาฮุมอาตาฮุมแปลว่ามายัางพวกเขาพวกเขาไม่มีหลักฐานมายัางพวกเขาเลยสักนิดใช่อารมณ์ของคุณนั้นอารมณ์คุณนี้ความรู้คนนั้นควมรู้ไม่ถึงนี่หลักศาสนานด้วยนะผมไม่อยากแตะมัสฮับมันนะมันก็แรงไปแล้วนะทุกมัสฮับเนี่ยพูดว่า ถ้าฟัตวาของฉันออกมาอย่างนี้ถ้าตอนหลังมารู้ว่ามันไม่ขัดกับสุนนะนบีให้ทิ้งของใครให้ทิ้งของฉันระยึดของนบีไม่มีใครทั้งสีม่มัลลับนั่นแหละฮานนฟีมาลิกีฮามบีลีชาฟีไม่มีใครว่าทิ้งสุนนะนบีไม่มีเขพอมีหลักฐานเยอะในคุรานเต็มเลยอย่ในฮะดดิสเยอะมากแ่วันนี้เราก็ ทิ้นสุนานาบีก็ยังเยอะไม่เนดเดวชิญชวนกันนะมาเอาสุนานาบีมาเรียนสุนานาบีนะครับว่าเนี่ยนบีสอนยังไงเรื่องนี้นาบีสอนยังไงนะครับอันนี้เป็นต้น mm. อินอินแต่ ว, ว่าไม่มี mm. ฟีสุดูริมในสุดุดมาจากหัวอกของพวกเขาในหัวอกของเขาเนี่ยเอาเลาเล่าเองนะไม่มีอะไรหรอก กีต้านในต้าต้านอิลลานอกจากก็บบรุนอวดโตเองอยากใหญ่ใช่ไหมละ่ะยากใหญ่กว่าน บ, บีใช่ไหมใหา่ใหญ่กว่าอลัลกุรอานใช่ไหมใยากใหญ่กับรคาบาน บ, บีใช่ไหมท่านในใจของผู้นี้ไม่มีมิอ ย, อย่างเดียวก็บบรุนอวดโตหยากดังอยักใหญ่สาเร็จไปแล้วจะลอนล่าไห้ฟังนะ เล่าใน้นบีนบีมาสอนดังนั้นอย่าวางเลาล่ออย่าขวามเราซูนอย่าขวามอัลรกูอานอย่าขวามซุนนะ น, นบีไอคนที่ความขวางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในหัวอกของเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากกิบรุนความอวดโตแสบหมครั <laughs> แบแสบหนะ้านี่สอนให้เรา็อคนที่นอบน้อถมถ่อมตนต่ออัลลอะ หลอกบอกนอนตะแขคงขวาเธออย่านอนคว่ำเลยอย่านอนตาแดดครึ่งหนึ่งอยู่ในร่มครึ่งหนึ่งอยู่ในอย่าทำเลย <c oughs> อย่าไม่เป็นต้นอย่าทะเลาะ ก, กับภรรยาเลยนี่อารมณ์ทั้งหมดนี่เก็บรุนทั้งหมดเลยอะ่ะความสุนทรนะเบรย์ทําไงไม่ไมจเจริญนะครับชีวิตนะั้นมาหุมเบบาลิีมาแปลว่าไม่เป็น บาลีรบาลเรก็แปว่าบรรลุถึงคุณไม่สามารถทําให้คุณบรรลุถึงความใหญ่โตของคุณได้หรอกคุณจะอวดดีขนาดไหนก็าตามแต่คุณต้องการจะยิ่งใหญ่สูงแต่คุณก็ไม่สามารถสูงกว่าภูเขาได้ด้วยฉะนั้นไอ้ เ, อเอรืเอร่องย่อหยิงจองของอวดโตกนะ็ทิ้งไปหมดในใจของผู้ศรัทธาต่อร้อง อย่าให้มีควาว่าอวดดีอวดโตอยู่ในใจจะไปแข่งกอลล้ออย่าไปแข่งกอลลซูอย่าไปแข่งกับ ป, ป, ปูร่าเลยยอมจำนนต์ต่อรอดโดยสิ้นเชิงเธออัลฮัมดุลิลลอภัยกับคนเยอะๆดีเลย ไ, ไมด่ดีอีครับทีนี้ถ้าหากว่าทำอะไรไปแล้วผิดๆเนี่ยมันนึกได้ให้กล่าวว่าไงนะฟัสตาอิบิลละจง ขอความช่วยเหลือหรือขอความคุ้มครองกับใครกับอัลลอให้กล่าวว่าไงอัลุซบิลละฮิมินัสไซต์อนเดอรเองจะยิงกันนานกวก็ตามฉันยอมจำโดนตนต่ออัลอุซบิลละถ้าอ่านอนคุรอานเนี่ยก่อนจะอ่านคุณอ่านออัลอุซบิลละก่อนอัลลอฉันขอไล่ชซต์อนก่อนจะอัลลอฮฺสร้างนะไปจากอกุรอานฟาสตัอัซบิลละ ต่อมาครับอินน้ฮูแท้จริงอลัลลอฮ์เนี่ยมีสิทธิ์นะผู้ว่สสามีผู้สงได้ยินที่เรานั่งสอนตับมเสกอุรานข้างบนได้ยินหมดนะ <c ười> คุยกับเมียสองคนอลัลลอฮ์ก็รู้เรื่องเรื่องเรื่องคุยกับเมียสองคนเนี่ยคุยกับคุยกับเมีย อลุมน บ, บีชื่ออับบาสช่งนั้นยังรับไม่รับมุสลิมในแอนตี Anti ้สลามอยู่ยังขวางน บ, บีอยู่มาทำสงครามก่อนน บ, บีไปแพ้พอแพ้เสร็จแล้วก็น บ, บีก็จับจั บ, จ, บจับตัวมาเฉลยมามาทีละคนละคนแล้วก็มาอะไรเงียมาจ่ายสตังอะไม่เคยคิดมาก่อนว่านั่นเาลาให้ทำ จ, าจ่ายตังค์ถ่ายตัวถ่ายตัวพอมาเจอลุงลุงเอางมาบัดเอ้ยหลานลุงเนี่ยเอาเงินออกมหมดแล้วเราก็มาทํำสงครามดานมาแพ้อีกไม่มีตังค์แล้วอันนี้แปว่าก่อนที่ลุงจะออกมาทํำสงครามกับหลานเนี่ยลุงก็เอาเงินใส่หอแล้วเรียกภรรยาไปฝากภรรยาไว้ในห้องเพื่อแม่แม่เอาออกมาแหะ รู้ไงไงวะมันเอาล้อเล่าฉันฟังหมดแล้ว <laughs> ความลับในโลกไม่มีพี่น้องความลับไม่มีเอาล้อจะแฉหรือไม่แฉท ร, รงนั้นเองพี่น้องจานั้นคุยกับใค ร, ราสองคนด่ากนนั้นด่าคนนี้ตำแหน่งกุนนั่นตรงนี้กุนนี้เลารู้ผาจากนั้นมุสลิมต้องสะอาดหมด ต้องน่ารื่อเคลียหมดเลยหัวใจสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับอินน้าฮูฮวาสัมมิบาซีอัลลอฮ์ทรงเห็นนี่เอาสิทธิ์2ข้อนี้ม า, าก็ก็กลัวแล้วพี่น้องครับ <c oughs> อัจะทมดูลิลลาพี่น้องก่อนจะจบนะครับผมจะนำเอาเนี่ยเอากุรานข้อสรุปนะครับว่า3อย่างนี่อย่าทำนะมุมินเรานี่นะ1 มันทำลายชีวิตเรานะหนึ่งโกรธไม่ดีขี้เหนียวทำลายชีวิตเราแล้วก็อวดดีเยอยิงตะกะบุดหนึ่งกบาคขี้ตะกะบุดสามอย่างนี้อย่าทำหนึ่งอะไรนะโกรธเก่งสองขี้เหนียวสามอะไรนะจองของอวดดีใหญ่อวดโตอย่าทำทำให้ทำลายชีวิตเราเลย ส่วนใครก็ตามที่ปฏิบัติเนี่ยแปดข้อเนี่ยนะเขาจะพบกับความสำเร็จบนดุลยาและอาคิีรอตเรียกว่าฟลานะยี่ยันนาหูหายาตันตอยี่บ้าหนึ่ง إ ي م านต่ออัลลอฮ์อย่าทำชีวิตกสองอามัณฑิสอและที่ท่านนาบีทำเป็นรูปแบบไว้ปฏิบัติให้ครบอันที่สามมุญจาฮาดะขยันทำงานศาสนาเยอะๆนะครับ ข้อที่สี่สบัดไทยอดทนข้อที่ห้าหาความรู้เนี่ยตับเสกุว่าเนี่ยอย่าขาดพยายามฟังตับเสกของใครก็ได้ในโลกนี้นะฝภาษาอังกฤษผู้ฟังภาษาอังกฤษประจำนังกภาษอังกฤษอูรูดอาดับฟังสามภาษาเลยนะแต่ความรู้เพิ่มตลอดเวลาเลยแล้วข้อที่หกเนี่ยใจเย็นๆอย่าใจร้อนแล้วข้อที่เจดเนี่ยเมตตาคนให้อภัยคน แล้วก็เรื่องไร้าสาระอย่าผสงสินไอ้มึงเล่าดังๆนะสิมึดาใครกูฟังด้วยไร้าสาระเพราะเรามาถึงมาถึงมาถึงเวลานี้แล้วอายุขนาดนี้แล้วเรื่องไร้าสาระเนี่ยบอกพยายอย่านินทาคนมึงลูกอย่านินทาก็เรื่องชจำ บ, บ้านมาตรงคุยเรามีหน้าที่ขอทุอาให้กับทุกคนตัวเรามัมีอยนะู่แปดข้อหนึ่งอีมานสองอามันติโซแลสามมุจฮะดา แปล ว, ว่าขยันทํางานศาสนาข้อที่สี่อดทนข้อที่หหาความรู้ตลอดเวลากู้นอ่านเรื่องสุนทานอับีนเน้นตรงนี้นะแล้วก็ใจเย็นๆข้อที่6ข้อที่7เมตตาคนสงสารคนให้อภัยคนข้อที่8เรื่องไร้สาระอย่ากเก็บมาวันสมองรคสมองมะเผลอทิ้นให้หมดนะครับแล้วก็อ่านกรุรอ่านสม่ำเสมออัลลอฮฺอัลลอฮบริจาสม่ำเสมออัลลอฮฺบอตริจาเนี่ยเป็นความบเสดอย่างยิ่งใหญ่หมดเวลาครับ سبحانك اللهم وبحمدك شعر أن لا إله إلا أني أستغررك وأدوه إليك